เรื่องวิญญาณคนรักในอดีตชาติมีความเกี่ยวพันกับหลวงปู่มั่นโดยตรงแต่ก็ไม่รู้ว่าวิญญาณดวงนี้จะเกี่ยวพันกับท่านตั้งแต่ชาติปางไหนเนื่องในข้อมูลไม่ได้บันทึกไว้หลวงปู่เล่า ว, ว่าในครั้งหนึ่งขณะที่ท่านนั่งเจริญภาวนาแล้วเกิดสมาธิเห็นชาติพบในอดีตขึ้นเกี่ยวกับคู่บารมีของท่านตั้งแต่ดั้งเดิมเมื่อปางก่อนตอนที่ท่านยังไม่ถึงทํามขั้นนี้คู่บารมีที่เคยปรารถนาพุทธภูมิมาด้วยกันเมื่อพบก่อนนู้น ก็เคยมาเยี่ยมเยียนท่านในทางสมาธิภาวนาอยู่เสมอทุกครั้งท่านจะแสดงธรรมให้ฟังบ้างเล็กน้อยแล้วก็ส่งกลับไปนานๆเธอจะมาเยี่ยมครั้งหนึ่งเธอมาในรูปของวิญญาณมองไม่เห็นร่างเหมือนพบอื่นๆเวลาที่หลวงปู่ถามก็จะตอบมาว่าเป็นห่วงท่านมากท่านไม่ได้ตั้งใจจะไปเกิดในภพภูมิที่เป็นหลักเป็นฐานใดๆทั้ทงสิ้น ที่เธอวิตกที่สุดก็คือกลัวหลวงปู่จะหลงลืมความสัมพันธ์และความปรารถนาที่เคยพากันปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตจึงต้องหมั่นเที่ยวมาฟังเรื่องของท่านอยู่เสมอด้วยความเป็นห่วงและความเสียดายหลวงปู่ท่านก็ได้บอกว่า ของดความปรารถนานั้นไปแล้วหันมาตั้งใจปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในชาตินี้และจะไม่ขอกลับมาเกิดอีกซึ่งเท่ากับได้ขอเอาทุกข์ภัยที่เคยพบเคยเห็นมากับอดีตชาตินั้นๆมาแบกมาหามต่อไปอีกแม้มิได้ตอบให้ท่านทราบว่าหายห่วงหรือยังห่วงอยู่ในเรื่องนั้นแต่ก็ยังเป็นห่วงคิดถึงท่านตลอดมามิได้จืดจางลงไปเลย แตนานๆจะมาเยี่ยมท่านหนุนหนึ่งดังนี้พอมาถึงระยะนี้องค์ท่านเองเป็นห่วงและสงสารที่เคยรับความทุกข์ความยากลําบากในภพชาตินั้นๆมาด้วยกันตามที่ท่านได้พิจารณารู้เห็นจึงนึกวิตกอยากพบเพื่อจะได้ปรับความเข้าใจและเล่าอะไรที่จําเป็นให้ฟังจะได้หายสงสัยหมดความกังวลหมดความผูกพันในความหลังเพียงนึกวิตกเท่านั้นหลวงปู่มั่นท่านเล่าว่าเพียงนึกวิตกเท่านั้น พอตกกลางคืนยามดึกสงัดคู่บุญบา ร, รมีของท่านก็มาจริงๆและมาในรูปแบบแห่งวิญญาณเหมือนเดิมหลวงปู่ได้ถามพบชาติที่กำลังเสวยอยู่ว่าทําไมมีแต่ดวงวิญญาณไม่มีร่างเหมือนภูมิอันเป็นทิพย์ทั่วไปดวงวิญญาณคู่บา ร, รมีของหลวงปู่ก็ได้ตอบว่านี่เป็นภพย่อยอันละเอียดอีกภพหนึ่งในบรรดาภพทั้งหลายที่มารออยู่ในภพนี้เพราะความเป็นห่วงอย่างที่เคยเรียนมาแล้ว ที่มานี้ก็ทราบว่าท่านอยากให้มาถึงได้มาไม่กล้ามาบ่อยนักเพราะเป็นความกระดากอายอยู่ภายในทั้งที่อยากจะมาบ่อยที่สุดแม้มาแล้วจะไม่มีอะไรเพราะไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำให้เกิด แต่ความรู้สึกที่เคยมีมาดั้งเดิมเคยมีต่อกันหากทําให้เกิดความตะขิดตะขวงใจไม่กล้ามาเองไปเองทั้งท่านเองก็เคยบอกว่าไม่ให้มาบ่อยนักแม้ไม่เสียหายก็อาจเป็นอารมณ์เป็นเครื่องทําให้เกิดความเนิ่นช้าแก่การปฏิบัติได้เพราะใจเป็นสิ่งละเอียดอาจรับเอาอารมณ์อลาละเอียดมาเป็นอุปสรรคแก่การดําเนินของตนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ดังที่บอกจึงไม่ได้มาบ่อยนัก คืนที่ท่านตัดขาดจากพบชาติจากญาติมิตรสหายจากสายบารมีผู้หวังพึ่งหวังตายอย่างไม่อารลายเสียดายนั้นก็ทราบเพราะเรื่องกระเทือนไปทั่วโลกกระธาตุต้องทราบกันทุกแห่งหนแต่แทนที่จะเกิดความสุขความชื่นบานหันษาอนุโมทนาด้วยดังที่เคยมีเคยเป็นมาแต่ก่อนนั้น เลยเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจด้วยความวิปริตคิดไปต่างๆนานาว่าท่านไปแบบไม่เหลียวแลแม้กับคู่บารมีที่เคยทุกข์ตะเกียกตะกายถวายความจงรักภักดีในพบน้อยพบใหญ่มาด้วยกันก็ไม่เหลือบมองชาติและวาสนาของตัวนี้แสนอาภัพอยู่ไปตามกรรมมีแต่รูปคลำทุกข์ไม่มีวันปล่อยวางผู้ผลไปก็ไกลทุกข์แต่ผู้ที่กาลังตกอยู่ในกองทุกข์ก็อดทนไป คิดไปมากเท่าไหร่ก็เหมือนคนขาดซึ่งปัญญาแต่ก็อยากจะขึ้นไปชมเดือนดาวบนฟ้าสุดท้ายก็กลับมานั่งนอนกอดทุบไปตามแบบของคนที่มีกำหนาแบบหาทางออกไม่ได้ ผู้อาภัพชาติวาสนาที่ดิ้นรนทนทุกข์บนหาความสุขเวลานี้ก็คือผู้ที่กำลังเสียใจร้องไห้อยากชื่นชมเดือนดาวบนฟ้าซึ่งแสนหน้าทุเรศเอาหนักหนาและหน้าเวทนาเหลือประมาณผู้นี้เองจะเป็นผู้อื่นไกลที่ไหนกันท่านผู้เสมือนเดือนดาวบนฟ้าส่องแสงสว่างจ้าทั่วสารทิศจะสถิตอยู่ที่ใดก็ไม่อับเฉาเคล้าในธรรม มีแต่ความสว่างสวัยไปทุกทางโดยรอบของเขตจักรวาลสนุกอยู่ด้วยความสำราญบานใจหากบุญวาสนาของดวงวิญญาณฆ่าบาทบริจาริกายัางพอมีอยู่บ้างไม่ขาดศูนย์ขอท่านได้โปรโดเมตตาแผ่กระแสธรรมไปบรรดาลพร้อมทั้งดวงปัญญายานอันบริสุทธิ์ผ่องใสไปโปรโ ด, ดประทานพอได้พ้นจากโทษในสงสารบรรลุนิพพานตามไปในไม่ช้านี้เถิดจะไม่ทรมานจิตใจไปช้านาน คำขอวิงวอนสัตยาธิฐานนี้จงมีกำลังให้เป็นไปดังใจหมายของข้าอย่าเนิ่นนานได้โพธิสมพันธ์อย่างใกล้ชิดเร็วพันเถิดที่กล่าวมาเป็นคำสัตยาธิฐานของดวงวิญญาณคู่บารมีของหลวงปู่ในอดีตชาติพบคร่ำครวนพันานาน่าสมเพศเว ท, เวทนา หลวงปู่ท่านได้ตอบว่าเท่าที่วิตกอยากให้มาก็มิได้มุ่งเจตนาให้เกิดความเสียอกเสียใจดังที่เป็นอยู่เช่นเวลานี้ซึ่งเป็นทางที่ผิดสัตว์โลกที่มีอยู่ทั่วโลกธาตุซึ่งมีความหวังดีต่อกันเขาไม่ได้นําเรื่องทานองนี้มาคิดกันคําว่าเมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขาในพรมวิหารก็เคยบําเพ็ญมาแล้วไม่ใช่หรือดวงวิ ญ, ญญาณได้ตอบว่าใช่ได้บําเพ็ญมาช้านาน จึงอดคิดถึงความผูกพันที่เคยบำเพ็ญธรรมทั้งสี่นี้มาด้วยกันไม่ได้เมื่อมีผู้หนึ่งเอาตัวรอดไปเสียเพียงคนเดียวเช่นนี้ธรรมดาสัตว์ที่ยังมีกิเลสเช่นดวงวิญญาณ น, นี้จึงอดกลั้นความเสียใจไม่ได้แล้วก็ได้รับความทุกข์เพราะความสลัดปัดทิ้งไม่เหลียวแลนั้นจนเวลานี้ก็ยังมองไม่เห็นความสว่างแห่งความทุกข์นั้นลงบ้างเลยหลวงปู่ตอบดวงวิญญาณเหมือนเทศโปรดไปในตัวว่า การสร้างความดีมาทั้งหมดทั้งที่สร้างด้วยตนเองและผู้อื่นพาสร้างก็เพื่อแก้ความกังวลออกจากตัวมิได้สร้างเพื่อความขนทุกข์เข้าใส่ตัวจนต้องได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายมิใช่หรือดวงวิญญาณอันเป็นคู่บารมีในอดีตชาติได้ตอบว่าใช่แต่วิสัยของผู้มีกิเลสเมื่อไม่สามารถเลือดทางเดินที่ราบรื่นปลอดภยัยก็จําต้องรูปคลําตามประสาโดยไม่ได้ทราบว่าที่ทําไปนั้นถูกหรือผิด จะพาให้ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ส่วนที่เป็นทุกข์นั้นก็รู้อยู่แก่ใจแต่ไม่ทราบว่าจะหาทางออกด้วยวิธีใดก็จาต้องดิ้นรนบ่นทุกข์ไปทำนองดังที่เห็นอยู่เวลานี้หลวงปู่เล่า ว, ว่าวิญญาณดวงนี้มีความเหนียวแน่นแม่นมันปรับทุกข์อย่างเอาจริงเอาจังหาว่าท่านหลบหลีกปลีกตัวไปเสียคนเดียวปราศจากความเมตตาสงสาร กับผู้ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันไม่เหลือบมองเพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมพอให้มีทางผ่านพ้นไปด้วยได้หลวงปู่ก็ยังได้พูดเปรียบเลยกับดวงวิญญาณผู้ครอมครวนว่าการรับประทานอาหารแม้จะรับอยู่ร่วมวงในภาชนะหรือโต๊ะเดียวกันก็ยังมีผู้ที่อิ่มก่อนอิ่มหลังจะให้อิ่มพร้อมๆกันย่อมเป็นไปไม่ได้ การบำเพ็ญความดีทั้งหลายแม้จะบำเพ็ญด้วยกันดังพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพายโสธราคู่บารมีก็ยังปรากฏว่าพระองค์ทรงบรรลุถึงแดนพ้นทุกข์ก่อนจากนั้นก็เสด็จกลับมาประทานโอวาทแก่พระนางแล้วค่อยสำเร็จในวาระต่อไปเรื่องเช่นนี้ก็ควรนำไปคิดอ่านและไตรตรองยึดเป็นคติย่อมจะเกิดประโยชน์มหาศาลแก่เราเองดีกว่าจะมานั่งปรับทุกข์แก่ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งพยายามคิดหาทางช่วยเหลืออยู่อย่างเต็มใจและสอดแสวงหาทางเพื่อช่วยให้หลุดพ้นอย่างเต็มกำลังมีหน้ำซ้ำยังถูกกล่าวหาว่ามีใจจืดจางวางปล่อยไม่ยอมเหลียวแลก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้กับสองฝ่ายเข้าไปอีกเป็นความคิดที่ไม่มีความเหมาะสมเลยควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ตามแบบพระชายาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหนทางทาให้เกิดความสุขและเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามแก่ผู้อื่นด้วย การที่อยากให้มาก็เพื่อจะอนุเคราะห์มิได้ให้มาเพื่อจะทำการขับสไล่ส่งการอบรมสั่งสอนตลอดมาก็เพื่ออนุเคราะห์และส่งเสริมตามแบบฉบับแห่งธรรมแก่ผู้ควรอนุเคราะห์คำว่าปล่อยปะละเลยไม่เหลียวแลนี้ยังมองไม่เห็นว่าได้ทอดทุรับปล่อยวางห่างเหินอย่างไรความคิดและอุบายที่แสดงออกทุกขณะจิตที่คิดเพื่ออนุเคราะห์ เป็นจิต ท, ที่บริสุทธิ์ด้วยความเมตตากรุณาจริงๆเพื่อผลที่ผู้รับนำไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดก็รอคอยจะแสดงมุทิตาจิตไปด้วยเสมอหากได้ผลเป็นที่พึงใจไม่มีข้องแวะที่ไหนแล้วผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ก็เบาใจหายห่วงจิตกับอุเบกขาธรรมก็เข้ากันได้อย่างสนิทการที่พาปรารถนาพุทธภูมิก็มุ่งจะพาข้ามโลกสงสาร ของการงดจากพุทธภูมิมาตั้งความปรารถนาเป็นสาวกภูมิของผู้สิ้นกิเลสอาสวะก็เป็นความมุ่งหมายเพื่อจะพาสิ้นกิเลสและกองทุกทั้งมวลก้าวสู่บรมสุขคือนิพพานอันเป็นจุดเดียวกันการพาบำเพ็ญกุศลในชาติต่างๆตลอดมาจนชาติปัจจุบันได้มาบวชบำเพ็ญในพระศาสนามีสติปัญญาเพียงใดพอจะติดต่อข่าวสารถึงได้ก็พยายามเสมอมา จนได้มาพบเห็นกันในพบนี้และได้ให้อวาทสั่งสอนเต็มสติปัญญาตลอดมาจนถึงปัจจุบันบัดนี้ล้วนเป็นอุบายวิธีอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาสุดที่จะประมาณอยู่แล้วไม่เคยคิดที่จะหลบหลีกปลีกตัวไปให้พ้นแต่เพียงผู้เดียวแต่หวังจะฉุดลากพรากเอาออกจากกลองทุกทุกภพทุกชาติในสงสารให้ถึงพระนิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ความคิดวิปริตน้อยเนื้อต่ําใจสําคัญว่าทอดทิ้งปล่อยวางไม่เหลียวแลเป็นความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่ายจึงควรระงับดับมันเสียอย่าให้มันมาเหยียบย่ำทําลายจิตใจอีกต่อไปผลคือความทุกข์จะตามมาและผิดกับความมุ่งหมายของผู้มุ่งหวังอนุเคราะห์ด้วยใจเมตตาสงสารตลอดมาคําว่าหลุดพ้นไม่อะไรอาวรนนั้นหลุดพ้นไปไหนและไม่อะไรผู้ใด เพราะขณะนี้กำลังช่วยฉุดอย่างเต็มกำลังเมื่อดวงวิญญาณได้ฟังหลวงปู่เทศ ส, สอนตั้งแต่ต้นจนจบจึงเข้าใจแล้วโทษตนเองที่เข้าใจผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหลวงปู่จึงได้ให้พรไปเกิดในที่ที่เหมาะสมตามใจหวงังเมื่อได้รับพรอันประเสริฐ จ, จากหลวงปู่สมปรารถนาวิญญาณก็หายไปจากนั้นหลวงปู่ได้ถอนสมาธิขึ้นมาเมื่อฟ้าจะสว่างแล้วเวลาผ่านไปไม่นานนะัก หลวงปู่เล่าว่าดวงวิญญาณคู่บารมีได้มาเยี่ยมท่านอีกเพื่อขอฟังเทศคราวนี้มาในร่างของเทวดารูปร่างหน้าตาสวยมากแม้ไม่ได้ตกแต่งประทินผิวประการใดอย่างนี้เรียกว่าหลุดพ้นจากห่วงแห่งความทุกข์ไปสู่พบอันเป็นสุขติคือพบแห่งสวรรค์แล้วด้วยกุศลหนุนนำเพื่อเกิดใหม่ในพบที่ต้องการ ขอย้อนสู่เรื่องของพระอาจารย์จวนเมื่อครั้งที่ท่านอยู่ในพรรษาที่ 27-34 ในปีพุทธศักราช 2512-2523 ท่านได้พาพระเนนไปจำพรรษาอยู่ที่ผู่ทอบอําเภ อ, อบึงการจังหวัดหนองคายหรือวัดเจติยาคีรีวิหารในปัจจุบันท่านเล่าย้อนอดีตว่า ปีแรกได้ไปจำพรรษาที่ภูทอกมีพระที่เป็นสหธรรมิกสามรูปมีผ้าขาวน้อยอีกหนึ่งคนโดยชาวบ้านได้ร่วมมือกันปลูกกระต๊อบพอได้อาศัยบังแดดบังลมและบังฝนไว้สี่หลังแลละรูปต่างมีความมุ่งมั่นที่จะทำความเพียรอย่างเต็มที่พอใกล้เวลาพลบค่ำพระอาทิตย์เริ่มอัสดงอ่อนลงทุกขณะ พระอาจารย์ก็เตรียมปีนขึ้นไปบนเขาที่สูงชันโดยเอาผ้าอาบน้ำฝนมัดเอวให้แน่นเพราะกลัวสะบงหลุดถึงไม่มีคนเห็นแต่ก็อายผีสางนางไม้เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วท่านก็อาศัยเถาวัลย์และรากไม้โหนขึ้นไปจนถึงชั้นที่ห้าซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาเป็นถ้ำวิหารแล้วแต่ในสมัยที่ท่านได้จำพรรษานั้นยังเป็นป่ารกทึบมีต้นไม้และเถาวัลย์ยาขึ้นหนาทึบ ถ้ำจึงเป็นที่ซ่อนตัวหลับนอนของสัตว์ป่าอย่างเรียงผาที่มีกําลังวังชาและว่องไวปีนเขาปีนหน้าผาได้และจะเรียกเรียงผาว่าเป็นสัตว์มาสจัย์ก็ไม่ผิดหน้าตาและรูปร่างของมันไม่ได้แตกต่างไปจากเก้งหรือว่ากวางเท่าใดนักเก้งกวางปีนหน้าผาไม่ได้ขื้นปีนขึ้นไปก็ตกลงมาตายอย่างไม่ต้องสงสยัย ในระหว่างพรรษาที่27ท่านได้ขอแรงชาวบ้านทําบันไดขึ้นไปจนถึงชั้น5และชั้นที่6จนสำเร็จใช้เวลาทําอยู่2เดือนกับอีก10วันก็เรียบร้อยไม่ต้องมโหเถาวัลและรากไม้ขึ้นไปอีกแล้วเสียงตกลงมาคอหกักตายเปล่าๆมาอยู่ที่ภูท่าปีแรกหากไม่อดทนจริงๆก็คงจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าการบินทบาทลาบากมากไข้ป่าก็ชุมพระเนนเป็นไข้ปา่าไม่มียาจัดฉันแก้โรคมันเป็นช่วงที่ลาบาก หากจะมองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการทดสอบความอดทนและความกล้าสู้กล้าเสี่ยงแม้ความตายยืนรออยู่ตรงหน้าก็ตามหากผ่านพ้นวิกฤตอันหนักหนาสาหัสนี้ไปได้แสดงถึงจิตได้ถูกหลอมจนแกร่งมิได้หวั่นไหวต่อความตายแม้แต่น้อยพระอาจารย์เองก็ไม่เคยย่อท้อท่านนำพาพระเนนสู้ด้วยการภาวนาจิตอาศัยพระไตสรณ ะ, ะเป็นที่พึ่งจนในที่สุด ก็เอาชนะหมู่มารทั้งหลายที่ดาน้าเข้ามาประลองยุทธได้อย่างราบคาบแล้วในคืนวันหนึ่งพระอาจารย์เกิดสุบินนิมิตไปว่าได้ออกไปบินทบาทที่ภูทอกใหญ่โดยผ่านตามหน้าผาเลียบเลาะไปเรื่อยๆมองไม่เห็นผู้คนอยู่อาศัยแถวนั้นแต่ประการใดเห็นก็แต่หน้าต่างที่ปิดไว้อย่างมิดชิดตามหน้าผาท่านได้เดินอ้อมไปเรื่อยเกิดความสงสยัยจึงรำพึงในใจว่าคนไปไหนหมดทาไมเห็นแต่หน้าต่างปิดอยู่ คนก็ไม่มาใส่บาดเลยในขณะที่ท่านกำลังหยุดยืนรำพึงอยู่นั้นก็มองไปเห็นหน้าต่างคราวนี้เห็นมีคนเปิดหน้าต่างและเดินออกมาใส่บาดการราพึงของท่านพวกเขาอาจจะเหมือนอย่างรู้ว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่พอเขามาใส่บาดก็เลยถามพวกเขาว่าท่านเป็นใครหรือแล้วมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรคำตอบจากชาวบ้านคือ พวกข้าเป็นชาวบังบดอยู่อาศัยที่ภูทอกใหญ่ผูแจ่มจ ำ, จำหรหมาเป็นเวลาช้านานแล้วแต่ไม่มีใครได้เห็นพวกข้าเนื่องจากพวกข้ามีกายทิพย์นอกจากเจเนรมิดให้กายหยาบเท่านั้นจึงจะมองเห็นด้วยตาเปล่าพระอาจารย์จวนท่านผู้รู้ว่าชาวบังบดคือพวกไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรแต่พวกเรารวมทั้งผู้เรียบเรียงเองก็ไม่รู้ดังนั้นผู้เขียนจึงได้ค้นหามาฝากท่านทั้งหลายได้รู้กันดังนี้ พวกบังบทก็คือพวกภูมิเทวดาที่ชอบอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขาสมบูรณ์แต่ละต้นจะอาศัยกันหลายครอบครัวก็คือหมู่บ้านนั่นแหละบางหมู่บ้านอาจจะอาศัยในถ้ำและตามหน้าผาชาวบังบทพวกเขานับถือศีลห้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมเพราะในอดีตของพวกเขาเหล่านี้เคยเสวยชาติเป็นมนุษย์มาก่อน ปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจเป็นอาจินแต่ไปทำอะไรไม่ดีเล็กน้อยกับทางพระพุทธศาสนาเข้าหลังความตายก็เลยได้มาเกิดในภพภูมิของเทวดาบาังบทคือเทวดาพวกหนึ่งที่ยังมีกิเลสมีครอบครัวเหมือนกับชาวโลกจะมีความแตกต่างกับคนหรือมนุษย์ก็ตรงที่พวกเขามีกายเป็นทิฟมองด้วยตาเปล่าหรือภาษาพระเรียกว่าตาเนื้จะมองไม่เห็น ผู้ที่จะเห็นพวกเขาก็คือพระผู้ทรงศีลทรงธรรมถึงขั้นอุปนาสมาธิเท่านั้นท่านจะมีตานานหรือตาทิพมองเห็นพวกเขาหากพวกเขาถือศีลภาวนาในภพชาติบังบดอย่างเสมอต้นเสมอปลายถ้าละจากภพภูมิของชาวบังบดก็จะไปเกิดในโลกของสวรรค์อันเป็นชั้นสุขติหรือไม่ก็กลับมาเสวยชาติเป็นมนุษย์อีกก็ได้ อย่างที่กล่าวเช่นนี้เพราะเคยได้อ่านในหนังสือประวัติของพระอริยะเจ้าหลายรูปที่ท่านพูดถึงชาวบางบทพวกเขายังบอกกับพระอาจารย์จวนว่าชื่อเดิมของภูทอกใหญ่นี้คือภูแจ่มจํำรัดเมื่อก่อนนี้มีพวกฤษีชีพรายมาบําเพ็ญพรตภาวนาที่ภูเขานี้เป็นจํานวนมากจากนั้นท่านก็ได้ถามพวกเขาอีกว่ารู้ได้อย่างไรว่าท่านมาบิณฑบาตพวกเขาหันมองหน้ากันแล้วยิ้มรู้สิพระคุณท่าน พวกข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรพระอาจารย์จึงถามสวนไปว่าปิดหน้าต่างทุกบานจะมองเห็นและรู้ได้อย่างไรรู้ขอรับพระคุณท่านพระอาจารย์ยังซักอีกว่ารู้ด้วยอะไรหรือพวกเขากล่าวขึ้นมาพร้อมกันว่ารู้ด้วยกลิ่นกลิ่นของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแตกต่างจากกลิ่นของผู้อื่นกลิ่นที่ว่านี้คือกลิ่นอย่างไรพระอาจารย์ซักไม่หยุดกลิ่นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์จะมีกลิ่นหอมของธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ก็เลยพากันเปิดหน้าต่างแล้วบอกต่อๆกันเพื่อนำอาหารมาใส่บาตรพระผู้ทรงธรรมพระผู้เป็นเจ้ากันพวกเขากล่าวด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาที่ออกมาจากใจเมื่อตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ก็ตื่นพอดีท่านพิจารณานิมิตนั้นเห็นแปลกก็เลยนำเรื่องใ น, นมิตมาเล่าให้พระเนรฟังและประหลาดใจที่ว่าในเช้าวันนั้น อาหารที่บินธบาตมานั้นเมื่อได้ขบฉันมีความรู้สึกรสชาติอริดอร่อยมากเป็นพิเศษทั้งท้งที่ในเช้า ว, วันนั้นก็มีชาวบ้านธรรมดาธรรมดาหน้าเดิมมาใส่บาตรไม่เห็นมีคนแปลกหน้ามาร่วมใส่บาตรเลยอาหารก็เป็นอาหารพื้นบ้านตามปกติแต่มีความแปลกใจตรงที่เมื่อฉันเข้าไปแล้วทาไมจึงอร่อยราวกับเป็นอาหารทิพย์ของเหล่าเทวดาพระอาจารย์จุนยังได้กล่าวว่า ท่านไม่มีหูทิพตาทิพอะไรเลยแค่ฝันเฉยๆก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจเล่าให้ฟังตามที่เห็นในนิมิตในพรรษาแรกที่ภูทอกใหญ่พระเนนเจ็บป่วยกันมากมารู้สาเหตุทีหลังว่าเจ็บป่วยเพราะสาเหตุมาจากเสียขวัญเนืน่องจากเ จ, าเจ้าที่เจ้าทางประจําภูเขามาหลอกมาหลอนขณะที่กําลังนอนตอนดึกๆจะมาเรียกให้ลุกขึ้นมาทําความเพียรบางทีก็มาไล่ให้หนีไปอยู่ที่อื่น เพราะที่ภูทอกใหญ่นี้เป็นที่อยู่ของพวกเขาตัวพระอาจารย์เองก็เคยเจอเหมือนกันท่านจึงได้ตักเตือนให้พระเนนมีศีลบริสุทธิ์และบําเพ็ญภาวนาให้มากๆพร้อมกับแผ่เมตตาไปให้พวกเขาอย่าได้ประมาทเพราะศีลสมาธิภาวนานั้นเป็นเกราะกําบังของผู้บําเพ็ญเพียรจนต่อมาพวกเจ้าที่ที่อยู่ในภูทอกใหญ่ได้มากราบนมัสการพระอาจารย์ขอน้อมถวายข่าวลูกนี้ให้แก่พระผู้เป็นเจ้า ตราผู้เป็นเจ้าโปรดรับรักษาพวกเขาจะลงไปอยู่ข้างล่างในขณะเดียวกันพวกเขาได้ขอคำมั่นสัญญาอีกว่าเมื่อพวกเขาลงไปอาศัยอยู่ข้างล่างแล้วขอให้ท่านประกาศแก่พวกคนที่จะมาเที่ยวที่ผูทอกว่าอย่าได้พูดคำหยาบอย่าส่งเสียงอึกกระทึกอย่าได้ถุยน้ำลายลงไปข้างล่างอย่าคว้างปาหรือทิ้งเศษขยะข้างบนเขาอย่าฆ่าสัตว์ขอเพียงเท่านี้ แปลกเหมือนกันที่มีชาวบ้านฝันในลักษณะเดียวกันกับท่านที่ฝันดังนั้นที่ภูทอกแห่งนี้มีทั้งเจ้าที่เจ้าทางและเทวดาอยู่เต็มไปหมดหากใครมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวที่ภูทอกใหญ่อันเป็นแดนธรรมก็ควรระวังคำพูดหากพูดจาไม่ดีพวกเจ้าที่อาจจะตามมาอบรมสั่งสอนถึงบ้านก็ได้